ผู้ฝึกสารทีที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมอันประเสริฐขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงเคารพบูชาเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงปรากฏชัดได้ด้วยตัวเองขอนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์เจ้าทาั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะ ผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะตรัสรู้อริยสัจธรรมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาโตมทั้งหลายวันนี้ก็อีกวันหนึ่งซึ่งเราก็จะได้ร่วมฟังพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในแต่ละครั้งเราก็ได้เอาเรื่องของบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้ามากล่าว วันนี้ก็จะขอกล่าวถึงขันติบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระองค์นั้นมีพระขันติซึ่งหาผู้อื่นที่จะประพฤติได้เสมอเหมือนก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้ทรงตรัสบุคคลจริยาความประพฤติแต่เก่าก่อนของพระองค์นั้นก็อาศัยเรื่องต้นเขามาจากพระเทวทัตคือเรื่องมีอยู่ว่าพิสูจทั้งหลายนี้ก็พากันกล่าวติเตียนพระเทวทัต ที่พระเทวทัตนี้ใช้นายขมังธนูแล้วก็กลิ้งศิลาในเวลาต่อมาเพื่อที่จะปลงพระชนชีพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็เลยอาศัยเรื่องนั้นก็ตรัสว่าดูก่อนพ่สูจนทั้งหลายไม่เฉพาะแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนพระเทวทัตก็กลิ้งศิลาเพื่อฆ่าเราเหมือนกันแล้วพระองค์ก็นําเรื่องในอดีตมาตรัสต่อไปว่าในอดี ต, ตการ เมื่อพระเจ้าพรมทัตเสวยราชสมบัติในพระนครพาราสีในหมู่บ้านกาสิกคาในหมู่บ้านนี้ก็มีพราหม์ชาวนาผู้หนึ่งไถนาเสร็จแล้วก็ปล่อยโคไปเริ่มทำการงานขุดหญ้าพรวนดินด้วยจอบฝูงโคก็เคี้ยวกินใบไม้ที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งพลางพากันหนีไปสู่ดงโดยลำดับก็คือไถนาเสร็จก็ปล่อยโคใช่ไหม ปล่อยโคก็ทํากิจของชาวนามีการขุดดินถากหญ้าทีนี้ก็ปล่อยให้วัว น, นี่ไปหากินหญ้าวัว น, นี่พอกินหญ้ากินไปก็ตะเตลิดเข้าปา่าเข้าดงหายไปเลยพราหมณ์คนนี้พอได้เวลาก็วางจอบแล้วก็เที่ยวตามหาโคดุกก็ไม่พบฝูงโคก็เกิดความเสียใจเสียใจมากนะว่าเอ๊ะวัว น, นี่หายไปไหน ยิ่งติดตามเข้าไปในป่าลึกไปเรื่อยเพราะว่านาของเขาเนี่ยอยู่ใกล้ป่าทีนี้พราหมณ์นั้นอ่ะพอเดินไปเดินมาเนี่ยนะติดตามวัวไปก็หลงทางก็เลยเข้าไปในป่าลึกป่าใหญ่เรียกว่าป่าหิมพานทีนี้ก็อดอาหารอยู่เจ็ดวันก็เดินไปพบต้นมะพร้าวต้นหนึง่งต้นมะพร้าวเนี่ยลูกกลมๆ ล, ลูกไม่โตเท่าไหร่ทีพอไปพบ ก็เลยเก็บเอาลูกที่ตกที่ร่วงเนี่ยมากินพออดอดข้าวมานอนหลายวันแล้วขณะที่กินนั้นก็ยังไม่อิ่มอ่ะนะพอมีลูกอยู่บนต้นนี่ก็ขึ้นไปบนต้นขณะที่ขึ้นไปก็พลัดตกลงมาพอขึ้นไปสูงก็เก็บลูกนี้กินกินไม่พอก็เก็บลูกใหม่ๆไปเรื่อยๆกิ่งมันก็ฉีกขาดแล้วก็ตกลงไปทีนี้ไอ้ตกเนี่ยไม่ใช่ตกไปธรรมดาตกไปในเหวด้วย เหวนั้นเนี่ยลึกประมาณหกสิบศอกพรามนี่ก็ตกเหวล่วงไปได้สิบวันนะหลงทางอดข้าวเจ็ดวันไม่พอนะตกเหวอีกสิบวันอีกโอ้โหทรมานขนาดไห น, นคราวนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดของวา น, นอนกำลังเคี้ยวกินพลาผลเหลือไปเห็นบุรุษนั้นเข้าจึงผูกเชือกเข้าที่หินช่วยบุรุษนั้นขึ้นมาได้พระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดเป็นลิงก็ช่วยเขาขึ้นมา ทีนี้พอช่วยขึ้นมาก็วานอนหรือลิงนี่ก็นอนหลับพรามนี่ก็เลยเอาก้อนหินเนี่ยทุบหัวลิงเข้าไปพระโพธิสัตว์นี้ก็ซึ่งเป็นลิงก็รู้อ่ะนะว่าเป็นการกระทําของพรามคนนี้ก็เลยกระโดดขึ้นไปจับอยู่บนกิ่งไม้กล่าวว่าแหนบุรุษผู้เจริญท่านจงเดินไปตามพื้นดินข้าพเจ้าจักเดินบอกหนทางแก่ท่านคือการร่วมทางกับท่านไม่มีแล้ะก็จะเดินกระโดดตาม กิงไม้เนี่ยไปแล้วก็พาบุรุษนั้นออกจากป่าเนี่ยเข้าไปสู่หนทางแล้วก็ให้กลับไปถึงบ้านฝ่ายลิงนี่ก็กลับไปกลับไปสู่ป่าหิมพานตามเดิมบุรุษนั้นร่วงเกินพระโพธิสัตว์คือที่เอาหินเนี่ยทุบหัวหลังจากนั้นก็กลายเป็นโรคเรื้อนกลายเป็นมนุษย์เปรตในปัจจุบันทันตาเห็นทีเดียวผู้ที่ทําร้ายต่อผู้มีคุณกรรมก็ให้ผล ในเรียกว่าทันตาเลยนะเขาถูกความทุกข์เบียดเบียนอยู่เจ็ดปีเทีย่ยวเร่ร่อนไปถึงมิขาชินาอุทยานเขตพระคนครพารณสีคนเป็นโรคเรื้อนก็ต้องลาดใบตองลงภายในกำแพงแล้วก็นอนสเสวยทุกขเวทนาเจ็บปวดคราวนั้นพระเจ้าพารณสีเนี่ยเสด็จประพาสพระราชอุทยานเสด็จเที่ยวไปพบเข้าคือพระราชานี้ ผู้ปกครองบ้านปกครองเมืองอะนะซึ่งดูแลอยู่ในเมืองพาราณสีก็แวดล้อมไปด้วยมิตรอมาตผู้มีความภักดีมีความมั่นคงเสด็จไปยังมิคาชินาอุทยานหน้าที่นั้นก็ได้ทอดทธเนศเห็นพรามซึ่งเป็นคนโรคเรื้อนเข้าไปเห็นคนโรคเรื้อนมีตัวเนี่ยเขาวพราวเป็นจุดๆไปตามตัวคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับวัวด่างอย่างนั้นแหละมากไปด้วยกรากเลื่อน เรียราดไปด้วยเนื้อที่หลุดออกมาจากปากแผลเนื้อก็หลุดออกมาจากแผลเป็นย่อมเป็นย่อมเหมือนกับดอกทองกวาวที่บานก็บอกดอกทองกวาวเนี่ยมันเป็นดอกที่มีสีแดงเนื้อตามตัวนี่เห็นเป็นแดงเหมือนกับใครเอามีดไปปาดออกอย่างนั้นในเรือนร่างทุกแห่งก็มีแต่เพียงกระดูกพร้อมสู้พร้อ ม, ส, อมสะพังไปด้วยเส้นเอ็นครั้นทอดแเนตรเห็นคนที่ตกยาก พระราชาพอมองเห็นก็ถึงความลําบากก็สงสารยิ่งนักทรงหวาดหวันในใจสงสารขึ้นจับใจก็จึงถาม ว, ว่าท่านเป็นยักษ์ประเภทไหนในจําพวกยักษ์ทั้งหลายงงเอ๊ะเป็นคนหรือเป็นยักษ์กันแน่นะอันหนึ่งมือและเท้าของท่านเนี่ยขาวศีส่ายยิ่งขาวกว่านั้นอีกตัวของท่านก็ด่างพร้อยมากไปด้วยเกลื่อนแล้วก็กลากหลังของท่านเนี่ยก็เป็นปุ่มเป็นปม ดุจเถาวันอันยุ่งอวัยวะของท่านเนี่ยบางแห่งก็ดำบางแห่งก็หงิกงอคล้ายกับเถาวันมีข้อดำดูไม่เหมือนคนอื่นๆไปเห็นคนนอนควนคลางอ่ะนะเท้า น, นี่ก็เปรอะเปื้อนไปด้วยทุลีหน้าหว่าเสียวโซบผอมสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นหิวรหายร่างกายนี่ก็ซูบเซตท่านมาจากไหนและจะไปไหนแลดูหน้าเกลียดรูปร่างก็อัปลักษณ ผิวพันธุ์ก็ชั่วช้าดูน่ากลัวแม้มารดาบังเกิดเกล้าของท่านก็ไม่ปรารถนาจะดูแลท่านเลยคือแมแ้กระทั่งรูปร่างหน้าเกลียดจนแม่แม่ก็ยังไม่อยากเห็นเลยอ่ะในชาติก่อนเจ้าทํากรรมอะไรไว้หรือว่าได้เบียดเบียนผู้ที่ไม่ควรเบียดเบียนไว้อย่างไรไปทําเวรทํากรรมอะไรมาจึงได้เข้าถึงทุกนี้เพราะทํากรรมอันหยาบช้าอันใดเอาไว้พระราชาก็ถาม พรามณ์นั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าขอเดชะขอพระองค์จงสดับข้าพระองค์จะกราบทูลอย่างคนที่ฉลาดทูลเพราะว่าบัณฑิตทั้งหลายในโลกย่อมสารเสริญคนที่พูดจริงเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยทเที่ยวตาม โ, โคที่หายไปคนเดียวได้หลงทางเข้าไปในป่าหิมพานต์อันแสนจกกักรดาลเงียบสงัดอันหมู่กุญชรชาติท่องเที่ยวไปมาข้าพระองค์นี่ก็หลงทางเข้าไปในป่าอันทึบ อัน ม, มูมารึกร้ายกาดท่องเที่ยวไปมาคือป่าที่รกไปด้วยพวกงูเงี้ยวเขี้ยวเสือต้องทนหิวระหายเที่ยวไปในป่านั้นตลอดเจ็ดวันณป่านั้นข้าพระพุทธเจ้ากําลังหิวจะได้เห็นต้นมะพร้าวต้นหนึ่งตั้งอยู่มินเมเองไปทางปากเหวแต่ว่ามีผลดกดึ่มะพร้าวต้นเนี้ยลูกมันดกแต่ว่ามันเงื้อมออกไปทางเหวใช่ไหมใครจะกลาก้าเคลืนไปเก็บกินตกหักกตายอย่างเดียว ทีแรกข่าพระพุทธเจ้าก็เก็บผลที่ลมเนี่ยพาดหล่นลงมากินก่อนเมื่อข่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกินผลที่หล่นลงมาเท่านั้นก็รู้สึกพอใจมาพลับเนี่ยลูกมันก็พอๆกับละมุดนั่นแหละคล้ายๆกันละมุดแต่มันจะหวานหวานคล้ายๆละมุดที่อยู่ตามป่ามันมีสองชนิดบางอย่างเนี่ยมันจะฝาดมากแต่มันจะมีบางอย่างที่ลูกมันหวานทีนี้ขณะที่กินผลที่ตกลงมามก็หวานชื่นใจนะก็ไม่อิ่ม ก็เลยปีนขึ้นไปบนต้นด้วยหวังใจว่าจะ ก, กินให้สบายบนต้นนั้นข้าพระพุทธเจ้ากินผลที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ปรารถนาจะกินผลที่สองลูกต่อไปมันอร่อยดีเนาะเก็บกินใหม่ๆไปเรื่อยเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเหยียบมือคว้าเอาผลที่ต้องการทันใดนั้นกิ่งไม้ที่เหยียบอยู่บนนั้นก็หักขาดลงดุดคนตัดด้วยขวานฉะนั้นเก็บๆไปเนี่ยร่วงเลยแผะลงไป ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยกิ่งไม้นั้นตีนก็ชี้ฟ้าหัวก็ตกลงไปในห่วงเหวภูเขาอันขรุขระซึ่งไม่มีที่ยึดที่เหนี่ยวเลยหาที่เกาะไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้านั้นยังไม่ถึงเพราะน้ําลึกต้องไปนอนไร้ความเพลิดเพลินไร้ที่พึ่งอยู่ในเหวนั้นสิบราตรีเต็มๆอดข้าวทุกทรมานอยู่ตรงนั้นภายหลังวันหนึ่งก็มีลิงอยู่ตัวหนึ่ง มีหางเหมือนหางโคลิงหางเหมือนหางวัวเที่ยวไปตามซอกเขาไต่ไปตามกิ่งไม้หาพลาผลไม้กินลิงก็กินผลไม้ลิงตัวนั้นก็ได้มาถึงที่นั้นมันเห็นค้าพระพุทธเจ้าผอมเหลืองได้กระทำความเอ็นดูในข่าพระพุทธเจ้าลิงนั้นก็เลยถามว่าท่านชื่ออะไรทำไมจึงมาทนทุกข์อยู่ที่นี่ ท่านเป็นมนุษย์หรือเป็นอนมนุษย์โปรดได้แนะนําตนให้ข้าพเจ้าทราบด้วยคือลิงเนี่ยก็ไปถามข้าพระพุทธเจ้าจึงได้ปนมอัญเชลีไหว้ลิงตัวนั้นแล้วก็กล่าวว่ามนุษย์ตกทุกข์ได้ยากละไหว้ลิงกันนะเราเป็นมนุษย์ถึงแล้วซึ่งหายนะเราไม่มีหนทางที่จะไปจากที่นี้ได้เพราะเหตุนั้นเราจึงบอกท่านให้ทราบไว้ขอท่านจงมีความเจริญ อันหนึ่งขอท่านโปรดเป็นที่พำนักของข้าพเจ้าด้วยเถอดข้าพเจ้าเนี่ยขึ้นจากเหวไม่ได้ให้เป็นที่พึ่งด้วยลิงตัวองอาจก็ไปเที่ยวหาก้อนหินก้อนใหญ่ในภูเขาแล้วก็ผูกเชือกไว้ที่ก้อนหินนั้นร้องบอกข้าพระพุทธเจ้าว่าลิงก็จะช่วยใช่ไหว่าไปเห็นเอาก้อนหินก้อนหนึ่งก็หาเชือกมามัดแล้วก็บอกว่ามาเถอดท่านจงขึ้นมาเกาะหลังข้าพเจ้าเอามือทั้งสองกอดคอไว้ เราจะพาท่านกระโดดขึ้นจากเหวโดยเต็มกำลังไม่เป็นไรกอดคอเดี๋ยวข้าพเจ้าจะโดดพาขึ้นไปเองแหละข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังคำของพยานรินทตัวมีสิรินั้นแล้วก็ขึ้นเกาะหลังเอามือทั้งสองโอบคอลิงไว้ลําดับนั้นพยาวานนตัวมีเดชมีกําลังก็พาข่าพระพุทธเจ้ากระโดดขึ้นจากเหวโดยความยากลําบากทันที ครั้นขึ้นมาได้แล้วพยาวานอนตัวองอาจก็ได้ขอร้องข้าพระพุทธเจ้าว่าแนสหายขอท่านจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะงีบสักหน่อยหนึ่งเถอเลิงนี่พอช่วยมนุษย์ขึ้นมาได้นะก็เหนื่อยทีนี้ก็เหนื่อยก็อยากจะหลับพักผ่อนหน่อยก็เลยบอกว่าเออราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองหมีและเสือดาวสัตว์เหล่านั้นพึงเบียดเบียนข้าพเจ้าที่หลับไปแล้วท่านเห็นเนี่ยพึงป้องกันข้าพเจ้าไว้ ช่วยดูแลปกป้องให้หน่อยนะพรามคนนั้นก็ช่วยปกป้องอย่างนั้นพยาวานนอนก็เลยหลับไปสักครู่หนึ่งเรียกว่ากล่อมสลิงหลับเลยเออหลับไปเถอะว่างั้นไม่ต้องห่วงทางนี้เดี๋ยวข้าพเจ้าดูแลเองคราวนั้นโดยที่ข้าพระพุทธเจ้าขาดความคิดอโยนิโสมนัิการก็ได้เกิดขึ้นในบุรุษคนนั้นว่าลิงนี้ก็เป็นอาหารของมนุษย์ทั้งหลายใช่ไหมเรียกว่าขาดความยั้งคิด ขาดความคิดที่ฉลาดอโยนิโสมนัสิการเกิดขึ้นก็ไม่รู้บาปบุญคุณโทษอะไรก็เลยมีความคิดว่าเออลิงนี้ก็เป็นอาหารของมนุษย์ทั้งหลายมันก็เหมือนกับเนื้ออื่นๆที่อยู่ในป่านี้เหมือนกันอยากกันนั้นเลยเราควรฆ่าลิงตัวนี้กินแก้หิวเถิดขนาดลิงช่วยชีวิตมาใช่ไหมก็คิดจะฆ่าลิงเพื่อให้ตายมันคล้ายๆกับชาวนาซึ่งมีวัวมีควายนะ ัวควายก็ไถานาถ้าจนเลี้ยงถ้าจนอิ่มน้ำสาราญเสร็จก็พอวัวควายไถายนาเสร็จไถานาไม่ไหวแล้วก็ฆ่าทิ้งเนี่ยนะฆ่ากินเนื้อเลยไอ้อยางนี้ก็มีมันก็คล้ายๆลักษณะเดียวกันก็ไม่รู้บุญรู้คุณว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษแล้วก็คิดต่อไปว่าเนี้ถ้าหากว่าเราฆ่าลิงเนี่ยกินอิ่มแล้วก็จะถือเอาเนื้อเป็นสเสะบียงเดินทางเราจะต้องผ่านทางกันดารเนื้อก็จะได้เป็นเสะเบียงของเรา แต่เดินทางกลับเนื้อความีเหลือกินตรงนี้ขนาดนี้เราก็จะอิ่มด้วยทันใดนั้นข่าพระพุทธเจ้าก็ได้หยิบเอาก้อนหินมาทุ่มลงที่ศีรษะลิงการประหารของข้าพระพุทธเจ้าผู้ลำบากเพราะอดอาหารจึงมีกําลังน้อยปกติคนฆ่าลิงเนี่ยฆ่าทีเดียวก็ตายใช่ไหมแต่เพราะว่านายคนนี้เนี่ยอ่อนกําลังมากจะฆ่าลิงก็อยกก้อนหินเนี่ยก็ไม่ใหญ่ห น, นะนะทุ่มลงไปก็ลิงก็ไม่ตาย ด้วยกำลังก้อนหินที่ฆ่าพระพุทธเจ้าทุ่มลงไปลิงนั้นก็ผลุดลุกขึ้นทุ่มลงไปก็ไม่ตายนะทั้งทั้งที่ตัวอาบไปด้วยเลือดร่ำให้มองดูฆ่าพระพุทธเจ้าด้วยตาอันเต็มไปด้วยน้ำตาพลางกล่าวว่านายท่านอย่าทาข้าพระเจ้าเลยขอท่านจงมีความเจริญแต่ท่านได้ทำกรรมอันหยาบช้าเช่นนี้ และท่านก็รอดตายมีอายุยืนมาได้สมควรที่จะห้ามปรามคนอื่นเขาใช่ไหมข้าพเจ้าให้ท่านช่วยดูแลข้าพเจ้าเอานะว่าอย่าใครอย่าบีบเบียนข้าพเจ้านะซึ่งตอนนี้ข้าพเจ้าก็ช่วยให้ท่านได้มีอายุยืนแล้วท่านก็ควรที่จะห้ามปรามคนอื่นไม่ใช่ทําเองถ้าอย่างนี้แล้วก็กล่าวต่อไปว่าแนะ่ท่านผู้กระทากรรมอันยากที่บุคคลจะทําลงได้ท่านเนี่ยทําชั่วมาก คนทั่วไปเขาทําไม่ได้หรอกน่าอดสูญใจจริงๆข้าพเจ้าช่วยให้ท่านขึ้นจากเหวลึกซึ่งยากที่จะขึ้นได้เช่นนี้ท่านเป็นเหมือนข้าพเจ้านําจากประรุโลกท่านนี่ก็เหมือนตายแล้วนั่นแหละข้าพเจ้าก็เหมือนคนช่วยชุบชีวิตให้ท่านท่านก็ยังสําคัญตัวข้าพเจ้าว่าควรจะฆ่าเสียด้วยจิตอันเป็นบาปประธรรมซึ่งเป็นเหตุให้ท่านคิดชั่วเพราะจิตที่เป็นบาปนั่นแหละทําให้ท่านคิดชั่ว ถึงท่านจะไร้ธรรมเวทนาอันเผ็ดร้อนก็ได้อย่าถูกต้องท่านเลยลิงนี่ไม่รู้สึกโกรธเลยนะถึงท่านจะบาปหยาบช้าขนาดนี้ความเจ็บปวดรุ่ดราวอย่าได้บังเกิดมีแก่ท่านเลยก็ยังห่วงอยู่นะยังห่วงนายคนนั้นอีกและบา ป, ปรกรรมก็อย่าได้ตามฆ่าท่านอย่างขุยไผ่ฆ่าไม่ไผ่เลยขุยไผ่ที่มันมันออกดอกใช่ไหมไผ่ออกดอกออกเม็ดปุ๊บแสดงว่าต้นไผ่ใกล้จะตายแล้ว คนที่ทําร้ายผู้ที่มีบุญคุณก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นบาปประกรรมนั้นอย่าได้ฆ่าท่านเลยบอกงั้นสิ่งที่ท่านทําเนี่ยเป็นบาปเป็นอกุศลบาปประกรรมอกุศลเหล่านี้อย่าได้เบียดเบียนรังแกท่านเลยทีนี้ลิงเนี่ยก็จะหนีแล้วนะชายคนนี้ก็เลยอ้อนวอนอ้อนวอนโอ้ย oh, ยังไงยังไงก็อย่าทิ้งข้าพเจ้าเถอะช่วยข้าพเจ้าไปส่งทีเถยังอ้อนวอนลิง น, นะให้ลิงเนี่ยเอาไปส่งให้หน่อย เลงก็เลยบอกว่าแน่ท่านผู้มีธรรมอันเลวหาความสํารวมไม่ได้ความคุ้นเคยของข้าพเจ้าไม่มีอยู่ในท่านเลยมาเถิดท่านท่านจงเดินไปห่างๆเราพอมองเห็นหลังกันเท่านั้นอยู่ไกลๆนูน้นเหมงอนกันค่อยๆเดินตามมาอย่ามาติดกันเหาือนกันการร่วมทางสนิทสนมกับท่านคนลามกเช่นนี้ไม่มีกับเราท่านนี้ก็พ้นเงื้อมมือแห่งสัตว์ร้ายถึงทางเดินของมนุษย์แล้ว ท่านผู้ไร้ธรรมนี่หนทางท่านจงไปตามสบายในทางนี้เถิดเออเนี่ยนะทางนี้ไปทางหมู่มนุษย์ท่านไปเถอะท่านเป็นคนไร้ศีลไร้ธรรมวานนรนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็ล้างเลือดที่ศีรษะเช็ดน้ําตาเสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นไปยังภูเขางั้นเพราะว่าถูกเขาทุบหัวมาใช่ไหมข่าพระพุทธเจ้าคือเขาเล่าให้พระราชาฟังเป็นผู้อันวานนรอนุเคราะห์แล้วก็ถูกความหิวกระหายกวนกวายเบียดเบียน ร้อนเนื้อร้อนตัวก็ลงไปยังห่วงน้ําแห่งหนึ่งเพื่อจะดื่มและกินน้ําหิวน้ําไปเห็นบ่อน้ําเข้าก็เลยจะลงไปกินน้ําดื่มน้ําห่วงน้ําก็เดือดพล่านเหมือนถูกต้มด้วยไฟน้ําเนี่ยแปลกนะพอลงไปเท่านั้นมันเดือดปุ๊บปุ๊บปขึ้นมาเลยหนองไปด้วยเลือดคล้ายกับน้ําเลือดน้ําหนองฉะนั้นทุกอย่างปรากฏแก่ข้าพระพุทธเจ้าอย่างเห็นชัดน้ำเนี่กลายเป็นน้ําเลือดกลายเป็นน้ําเหลืองไม่ได้ หยาดน้ําตกต้องกายของข้าพระพุทธเจ้ามีเท่าใดฝีก็พดขึ้นเท่านั้นน้ำเนกระเด็นถูกตัวเท่าไหร่ก็พองเลยมีสันฐานเหมือนมะตูมครึ่งลูกเหมือนกับมะตูมผ่าใช่ไหมก็มีแผลมีเน่าเยิ่อไหลออกมาทั้งตัวฝีก็แตกในวันนั้นเองน้ําเลือดน้ําหนองของข้าพระพุทธเจ้าก็ไหลออกมามีกลิ่นเหม็นดุดซากศพอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าจะเดินไปทางไหนในบ้านในนิคมทั้งหลาย มนุษย์หญิงชายทั้งหลายก็พากันถือท่อนไม้ห้ามกันฆ่าพระ อ, องค์โคฟุ้งไปด้วยกลิ่นเหม็นว่าอย่าเข้ามาทางนี้นะทุกคนเนี่ก็ถือไม้ถืออะไรสักอย่างหนึ่งไว้ไล่ใช่ไหมว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพวกมนุษย์หญิงชายก็ไล่ไปอย่างนี้บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่เจ็ดปีเหตุการณ์นั้นเนี่ยผ่านมาเจ็ดปีแล้วเป็นโรคภยัยโรคเรื้อนมาอย่างนี้เจ็ดปีแล้ว นี่เป็นผลของกรรมเป็นผลกรรมของตนที่ทําไว้ในปางก่อนเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ในที่นี้ขอพระองค์อย่าได้ประทุษร้ายมิตรเพราะว่าผู้ประทุสรายมิตรจัดเป็นคนเลวทรามอย่าได้ทําลายมิตรเลยนะวางนั้นการทําลายมิตรเนี่ยถือว่าเป็นความชั่วช้าเลวทรามมากแล้วก็ตอนหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ ตรัสเป็นพระคาถาว่าในโลกนี้ผู้ประทุสร้ายมิตรย่อมเป็นโรคเรื้อนกลากเกลื่อนเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกการประทุสร้ายมิตรเนี่ยเป็นสิ่งที่มีโทษมากมายมหาศาลเมื่อบุรุษนั้นกำลังกราบทูลพระราชาอยู่เราให้พระราชาฟังอยู่อย่างเงี้ยแผ่นดินก็แยกช่องออกมาเลยตายแล้วไปบังเกิดในเอเวจีนรกขณะนั้นนั่นแหละคิดดูนะแผ่นดินถึงแยกรองรับไม่ไหว ขนาดเขาช่วยให้พ้นจากความตายก็ยังประทุษร้ายต่อกาลยานามิตรผู้มีบุญคุณมากมายมหาศาลฝ่ายพระราชานี่ก็เสด็จเข้าเมืองไปพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิทใช่แต่บัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในชาติก่อนพระเทวทัตก็กลิ้งศิลาประทุษร้ายเราเหมือนกันแล้วพระองค์ก็ประชุมชาดกว่าบุรุษผู้ประทุสร้ายมิตรในครั้งนั้นได้มาเป็น พระเทวทัศน์ในครั้งนี้พยาวานนอนได้เป็นเราตถาคตชะนี้แลผู้ที่ประทุษรายมิตรนั้นจึงมีโทษโดยทายเดียวการประทุสรายมิตรนั้นเป็นความชั่วช้าเลวทรามมากอันนี้ก็จบมหากปิณชาดกซึ่งทําให้เราเห็นโทษว่าผู้ที่มีพระคุณนั้นสมควรที่เราจะเคารพนับถือบูชาไม่ใช่ว่าคิดทําลายเบียดเบียนผู้ที่คิดทําลายเบียดเบียนต่อผู้มีพระคุณนั้น จึงมีโทษมากมายมหาศาลอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านตั้งความปรารถนาในลักษณะว่าท่านข้ามพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยท่านรู้แจ้งแล้วจะให้ผู้อื่นรู้ด้วยท่านนิพพานแล้วจะให้คนอื่นนิพพานด้วยท่านถึงฝั่งแล้วจะให้ผู้อื่นถึงฝั่งด้วยพระองค์นั้นในลักษณะบำเพ็ญบารมีในรูปแบบเพื่อช่วยผู้อื่นนั้นจึงจะต้อง ใช้แรงกายใช้แรงใจแรงสติกำลังมากมายมหาศาลบากบั่นมั่นคงจึงจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แรงทางกายแรงทางใจแรงทางแรงทางทรัพย์สินด้วยทรัพย์สินพระองค์ก็ด้วยการให้สิ่งที่พระองค์ให้นั้นเรียกว่าทานะบารมีความชั่วความไม่ดีทางกายทางวาจาที่สมควรจะวิรัต์งดเว้นพระองค์ก็วิรัตงดเว้นก็ด้วยอำนาจแห่ง ศีลบารมีศีลก็ทำให้พระองค์วิรัติโนดเวนแล้วในขณะเดียวกันพระองค์ก็มีเนคขมมะบารมีก็คือไม่ข้องไม่เกี่ยวไม่ยึดติดในสิ่งนั้นนั้นก็เป็นเนคขมมะบารมีแล้วพระองค์ทำด้วยความรู้ความเข้าใจทำด้วยสติปัญญาอันนั้นก็เป็นปัญญาบารมีของพระองค์แล้วพระองค์ก็ทำด้วยความภาพเพียรพยายามทำด้วยความไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอย ทำไม่หดหู่ทำด้วยจิตใจที่บากบั่นมั่นคงอันนี้เป็นพระวิริยะบารมีของพระองค์พระองค์ก็ทําด้วยจิตใจที่ไม่ห่อเหี่ยวเป็นจิตใจที่ไม่หงุดหงิดไม่รําคาญไม่เดือดร้อนใจอันนี้เป็นลักษณะของขันติบารมีของพระองค์พระองค์เนี่ยมีเป็นผู้ที่มีขันติมีความอดทนหรือที่เรียกว่าไม่โกรธนั่นเองมีจิตใจแช่มชื่นอยู่เป็นนิจแล้วต่อไปอีก พระองค์ก็มีสัจจะในการดํารงมั่นในการบําเพ็ญบารมีของพระองค์และพระองค์เมียทิฏฐานคือการตั้งใจอย่างมั่นคงและประพฤติด้วยเมตตาด้วยความสุดจริตใจอย่างเต็มที่หวังดีปรารถนาดีความสุดจริตทางใจมีสามอย่างใช่ไหมอโลภาอะโทสะและสัมมาทิฏฐิเมตานั้นก็คือความสุดจริตใจอย่างหนึ่งของพระองค์เป็นเมตตาบารมีซึ่ง หวังดีปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วสุดท้ายก็คืออุเบกขาบารมีพระองค์เนี่ยวางใจได้อยู่ในฐานะที่ควรที่จะพอกพูนพระองค์ก็พอกพูนทัานอุเบกขาเนี่ยจะรู้ว่าเออนี้ควรทานคืออุเบกขานั้นเป็นยอดของบารมีเพราะว่าแกรู้ว่าเออนี่เวลานี้ควรทานเวลานี้ควรศีลควรเนกขัมมะควรปัญญาควรวิริยะเพราะว่า อุเบขาบารมีก็คือตัตระมัทธ ต, ต, ตานั่นเองความวางใจได้เป็นกลางบารมีทั้งสิบอย่างนี่แหละช่วยเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์ที่จะทําให้พระองค์บรรลุธรรมได้ทั้นบารมีทั้งสิบอย่างนี้เรียกว่าพุทธการกะธรรมธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าสำนวนพระสูตทั่วไปใช้คำธรรมะห้าอย่างใช่ไหมศรัท ธ, ธาศีลสุตะจาระปัญญาก็คือบารมีสิบนั่นแหละ ที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการตรัสรู้ธรรมอันอย่างชาดกเมื่อกี้นี้ที่เล่าไปมหากปิญญชาดกนั้นก็เป็นชาดกที่กล่าวถึงพระขันติบารมีของพระ อ, องค์ว่าพระ อ, องค์นี้ไม่โกรธถึงขนาดเขาทุบหัวก็ยังเอามือเนี่ยกลุมแผลพาเขาไปส่งถึงที่พาเขาไปส่งถึงที่ด้วยไม่โกรธ แล้วในขณะเดียวกันก็ผู้ที่ประทุสร า, ายเนี่ยท่านเห็นหลักกรรมและผลของกรรมเลยว่าผู้ประทุสร้ายต่อผู้มีพระคุณนั้นมีโทษมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นท่านก็ยังมีเมตตาอีกบอกว่าเออบาปประกรรมเหล่านี้อย่าได้ตกถึงท่านเลยกลัวเขาจะได้รับทุกข์เพราะบาปที่เขาทำอีกคือพยาลิงเนี่ยไม่ได้ตอบแทนอะไรหรอกไม่ได้ฆ่ามไม่ได้ไม่ได้แช่งไม่ได้ประทุสร้ายเลยแต่บาปประกรรมที่ในจิตของ ชายคนนั้นนั่นแหละจะเป็นผู้ที่ทำลายตัวเขาเองเราอยากคิดนะว่าในโลกนี้ความทุกข์ทรมานทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยากคิดว่าคนอื่นทำให้ถ้าเหตุอันนั้นเราไม่ได้สะสมไว้แล้วนะถ้าอากุศลเราไม่ได้สร้างเอาไว้แล้วความชั่วเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นในตัวเราเลยความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นในตัวเราเลยถ้าอากุศลเจตนาไม่มีเพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายแหละส่วนหนึ่งก็อาศัย เจตนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลนั่นแหละเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งวันนี้ก็จะขอยกข้อความในคำทีอังคุตรณิกายติกานิบาตครั้งก่อนนั้นหลายครั้งเราทั้งหลายจะได้ฟังชาดกวันนี้เอาพระสูตรมาบ้างพระสูตรที่กล่าววันนี้ก็คือ ที่เราทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยก็ชื่อว่ากาลามาสูตรสูตรที่ไม่ให้เชื่อสิบอย่างเราต้องฟังให้จบตอนนะ <c oughs> บอกไม่ให้เชื่อสิบอย่างกลายเป็นคนไม่เชื่ออะไรเลยเอาไหมอะไรก็ไม่เชื่อสักอย่างเลยนะเขาบอกว่านี่เขาไม่เชื่อเพราะฟังมาแล้วว่าไม่ให้เชื่อนี่ใช่ไหมฟังไม่ดีจะเป็นอย่างนั้นเอาแต่บอกไอตอนที่ไม่เชื่อสิบอย่างไปเนี่ยแสดงว่าผิดสูตรนะ เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมคาสอนของพระผู้มีพระภาคควรฟังให้ตลอดสายเคยได้ยินนสมัยเด็กๆของธรรมาเนี่ยสมัยที่เรียนหนังสืออยู่ชั้นปถมเขามีหนังสือยืนเล่มหนึ่งชื่อว่าน้องชายของเด็กชายปีเตะนยปีติมีน้องชายอยู่ด้วยทีนี้ย่าก็ชวนน้องชายเนี่ยไปวัดฟังธรรมน้องชายเนี่ยไปก็นั่งฟังก็หลับไปบ้างตื่นฟังบ้างหลับฟังบ้างเป็นคั้งข่าวไปช่วงหนึ่งพระเป็นวันพระพอดีใช่ไหยพระท่านกอเทศ การฆ่าสัตว์ก็ดีการลักทรัพย์ก็ดีการนอนตื่นสายก็ดีเสร็จแล้วก็ตื่นมาฟังแค่นั้นแหละเสร็จแล้วก็หลับต่อจําแม่นเลยนะไอ้การนอนตื่นสายก็ดีพอกลับไปถึงบ้านแล้วนอนตื่นสายทุกวันน่ะนะกลายเป็นเด็กขี้เกียจไปเลยอ่ะพอเป็นเด็กขี้เกียจเขาก็ถามมาทําไมเป็นอย่างนั้นอา้าวก่อวันก่อนไปวัดไงฟงังพระท่านเทศนา เขาบอกว่าการนอนตื่นสายก็ดีเขาว่างันไปถามย่าที่เรื่องไปมายังไงฮะย่าก็เล่าว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยเขาตื่นฟังช่วงนั้นพอดีจริงอ่ะพระท่านแสดงวันนั้นเนี่ยพอท่านก็ดีก็ดีจบเนี่ยนะเสร็จแล้วท่านก็บอกวันนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความเสื่อมเนี่ยไม่ได้ฟังฟังแต่ว่าก็ดีก็ดีไอ้ตรงนี้สูตรนี้ก็เหมือนกัน